หาไหนาสบายก็นั่งไปแต่อย่าเหยียดขาเยียขาผิดนอนฟังก็ผิดเหงานอนฟังก็ผิดง่วงนอนต้องตั้งใจคือเป็นภาวนาในระยะที่ฟังธรรมศ <c oughs> าสตร์จะพูดอะไรสู่ฟังก็คงจะพูดเรื่องการทำบุญในวันนี้ <c oughs> ป, ประเพณีของพวกเราถือว่าเป็นวันข้าวประดับดินผู้ยาตาทั่ว<ฮ>เคยพาทรมาในสาวาทำมากีร้อยปีกี่พันปีแต่ก็เป็นประเพณีจิตเลื่อยมาจนถึงพวกเราปัจจุบันหรือพวกลูกหลานเหลนทางหลังยังนับถือเรื่องศาสนาก็คงจะทำการทำ ติดต่อนอเนื่องกันไปอีกเหมือนกันวันนี้ตามคำบอกเล่าจากผู้เท่าผู่แกหรือนักประสมัยเก่าสัน ท, ทิว่าเป็นวันสำคัญคือเป็นวันที่พญายนที่บานปล่อยเปรตว่างั้นนี่ก็ สามคำบอกเล่าพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าของเราผู้ที่ทรงฤทธิ์เดชมากกว่าทุกองค์เคยนำเรื่องต่างๆทางสวรรค์นรกมาเล่าสู่พวกญาติโยมฟังมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้นำมาแน้สอนพวกพุทธบริษัที่ ไม่กลัวบาปให้กลัวบาปไม่อยากไปสวรรค์ก็อยากพอพูดถึงเหลืองสวรรค์ก็อยากจะให้ไปแล้วการไปสู่นรกสู่สวรรค์ น, นั้นจากสาเหตุอะไรพระโมคคัลลานะท่านไปสวรรค์ไปนรกวันนี้ท่าน ลงไปสู่นรกไม่ใช่ท่านตกนรกนะท่านไปนำข่าวท่านเปผู้ทำข่าวพระพุทธเจ้าเป็นผูท้ที่แนะนแต่พระโมคคัลลานำข่าวมาจากสถานที่ต่างๆมาให้พระ ศ, ศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ประชุมเที่ยสุสงหรือพุทธบริษัทวระารวะหยาิโยม มารวมกันแล้วท่านก็นกนเทศแนะสอนเรื่องต่างๆวันนี้ท่านเหาะลงไปสู่นรกปกติก็เคยนำข่าวมาให้พระพุทธเจ้าแต่วันนี้โมกคลาลงไปไม่มีสั์นรกแปลกใจว่าสันนรกทุกวันแต่ก่อนเราลงมา มีน้าแน่นอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่วันนี้เงียบไม่มีสัตว์นรกสักตัวเดียวอยู่ในนั้นแล้วก็เลยไปถามพญายมที่บานดูว่าวันนี้สัตว์นรกไปไหนกันพญายมที่บานตอบว่าวันนี้เป็นวันปล่อยสัตว์นรกให้เขาได้ไปรับพยทานจากญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานต่างๆ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 เมื่อกรรมยังไม่สิ้นเป็นอยู่อย่างนั้นทุกจนตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นั้นนับไม่ท้วนว่าในเดือนหนึ่งหนึวันหนึ่ง ห, นง ห, นงหนงันตายสักกี่ครั้งถ้าโทษหนักมันก็ตายบ่อยแต่ก็เกิดบ่อยทนทุกข์ทรมานลําบากอยากเย็นจะมีการทํามาค้าขายมีการได้รับทานอาหารเหมือนสัต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 โดยเวรกรรมของตัวที่ทำเอาไว้แต่ถึงวันอย่างวันนี้ที่หมกขวลาไปไม่เห็นพยายยมปล่อยมาหวังปล่อยมารับทานจากดิดามานดาญาติมิตรต่างๆจัตเหล่านั้นขึ้นมาโมบ้านของตัวอยู่ที่ไหนเมืองไหน ก็าคจะต้องไปหาญาติของตัวแล้วก็มีความปลืมใจดีใจว่าจะได้รับไย่ทานได้รับอาหารอิม่มน้ำสําราญเพราะทุกยากหิหวโห้อยมาเป็นระยะยาวนานไม่ได้ทานอะไรมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นต่างตัวก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปในสถานที่ตัว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 พยาดมิรของตนไม่ได้ทำบุญสุนทานเกิดเสียใจร้องไห้แต่ถ้ายาดมิตรทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศผลไปให้สัตว์นารกเหล่านั้นก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้พรแจกยาดมิตรของตนให้มีความสุขความเจริญ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสัตว์นารก ขี่ขึ้นมารับไย่ทานเหตดนั้นประเพณีอันนี้จึงมีมาเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีญาติมิตรของตนที่ล่วงลับดับหายไปทุกคนเกิดมาจะอยู่ครบถ้วนหน้าไม่มีไม่ปูญาตาท์ทวดตายก่อพวกลูกหลาน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 จิตปกติต่างทุกวันเพราะถือกันว่าเป็นวันปล่อยสัตว์นรกปล่อยเศษออกมารับบุญกุศลมารับทานคนที่เชื่อมั่นในคำบอกเล่าของปู่เถ่าผู่แก่ก็เลยทำกันเรื่อยๆมาบางหมู่บ้านลูกหลานมีเท่าไหร่ก็จะต้องไล่ให้ตกบากโดยทั่วหน้า หากพอที่จะตักบาดได้อายุ3ามขวบสี่ขวบขึ้นไปไล่มาตักบาด ท, ทั้งนั้นมาหมู่บ้านถือกันขนาดนั้นถือเป็นวันสำคัญเพราะจะได้ทำบุญคุ้นทานไปหาหยาดมิตรทงตนนี่เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาเป็นระยะยาวนานไม่ทราบว่าทำกันมาแต่แต่สมัยใดแต่ผมเคย ทำกันมาสิด ต, ต่อกันมาจนตลอดปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ ท, ท้าหาจะพิจารณากันในเรื่องของธรรมดไในแล้วมันถูกต้องไม่มีทางเสียหายซึ่งจะไม่มีหลักฐานว่ามันอยู่ในสูตรใดสำหรับตําราเล่มไหนก็าตามแต่มันก็เป็นทางดี คือทำบุญกุศลเกือเสียสละทำหวงแหนความโลภออกจากตนสำราญใจของตนเมื่อเราเราได้ทาลงไปอย่างนั้น <c oughs> เราระลึกนึกได้ใจของเราก็กพร่องใสเพราะเราทาในทางดี ใ, ในทางชั่วนี่ผู้ที่ทำเห็นอันนี้สง ได้จิตในใจของตนว่าบุญกุศลเราได้ให้ไปได้ทำไปใจมันสบายใจมันเป็นสุขแต่พูดถึงเปรตสุรากายหรือสัตว์นรกนั้นพวกนี้ลำบากลำคาญมากหากจะพูดตามตำรับตำราอยู่ด้วยความทุกข์ยากอนาถาไม่มีการหาขายหรือทำไรทำนาะ ทำราชการอะไรอยู่โดยความทุกข์คือมีหอกมีดาบมีแหลนมีหลาทิ่มแทงอยู่เรื่อยมีไฟไหม้หรืออยู่ในหมอ้อน้ำร้อนตีต้ม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 จึงอุตส่าห์พยายามทำบุญกู่ศนุทิศไปถึงญาติมิตรในชาติปัจุบันจะไม่ได้รับญาติมิตรในญาติมิตรในชาติก่อนๆผมมีคนเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดกับบิดามารดาคนเดียวเท่านั้นมันเกิดนับไม่ถ้วนพบชาติพวกเราสิมาร่วมกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เคยเกิดร่วมกันเคยตายรวมกันมาเหมือนกันแต่เราไม่ทราบ อดีตพวกชาติของเราเคยเป็นอะไรกันมาก่อนไม่ทราบกว่าดีอย่างคือมันจะไม่ได้คิดปรุงไปมากถ้าบาไปมากเท่าไร่ใจมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่อุ่นดีหุ่นวายชาตินั้นเคยเป็นอย่างนั้นชาตินี้เคยเป็นอย่างนี้มันคิดมันปรุงไปมากไม่ทราบกว่าสั่งมันในปัจจุบันแต่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 จึงได้รับความทุกข์ยากลําบากเมื่อเป็นเช่นนั้นญาติมิตรที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อทําบุญทํากุศลก็อุทิตผลไปให้แก่ญาติมิตรทองตนหรือสัตว์สัตว์ถั่วฝายเมื่อสัตว์เหล่านั้นเมื่อเขามีโอกาสเวลาจะเดียนอนุโมทนาการอุทิตบุญกุศลไปให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นนั้น ในทางพระศาสนาหม่ถือว่ามันเสียหายเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นอีกแต่นั้นจริงนิยมทำกันมาในาำรับตำราทางบุญธนกุศบุญิยาวัตถุสิบบุญเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นปฏิทานะไม่ คือการอุทิศบุญไปนั้นเป็นบุญอีกเราทําลงไปก็เป็นบุญแล้วเราก็อุทิศไปอีกเป็นบุญขึ้นอีกบุญมันเกิดขึ้นทั้งสองทางที่เราทําไปก็ได้บุญพอดหนึ่งแล้วแต่อุทิศบุญไปให้แกียสั์อีกเป็นบุญเกิดเพิ่มกันขึ้นอีกแต่นั้นจึงนิยมทํากันมามันไม่มีทางเสียหาย มีวันนี้พวกเราท่านได้มาทำบุญกุศลร่วมกันหลายหนา้าหลายตาก็าเพื่อระลึลกนึกถึงปู่ย่าตาทวดของตนญาติมิตรของตนที่หลวงห่วงรับดับหายไปเขาเหล่านั้นจะได้รับอนุโมทนาได้มีความสุขความสบายจากบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ ถึงนิยมทํากันมาเป็นระยะทุกปีแต่วันเช่นนี้ในปีหนึ่งหนึ่งก็มีวันเดียวข่าวประดับดินไม่ใจ่จะทํากันทุกวันทุกเวลาเขาปล่อยเพียงวันเดียวปล่อยเปรตเหตุนั้นผู้ที่ไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรในวันสําคัญคนนั้นก็ไม่มีความหมายวันธรรมดาจิตใจของเขาก็ไม่ได้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 ความสามารถของตัวบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญเอาไว้เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำตัวของเราท่านจิ่กระทำบำเพ็ญให้ได้รับความสุขความสบายสมปราถนาถ้าหากไม่มีบุญกุศลอะไรในตัวแล้วความปราถนา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 าหาคนฉลาดสามารถที่จะสะสมบุญกุศลให้เกิดแก่ตนของตนได้ทุกระยะแต่คนโง่ก็ไม่มีทางที่จะทำบุญทากุศลอะไรได้ก็ถือว่าบุญกุศล น, นั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตนคนที่มืดบอดอย่างนั้นก็คงจะประสบพบเห็นเรื่องมนุษย์ อย่างชาตินี้แถานั้นจากฉาตินี้ไปเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมของเขาสิเขาทําถ้าเขาทํากรรมชั่วหนักเขาก็จะไปเกิดในนรกถ้าทำเบาลงไปนิดหน่อยก็จะเป็นเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือสัตว์ติลฉานตามเรื่องในเรื่องการเกิดการตายของมนุษย์มันไม่แน่นอน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 มันในแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นแต่มนุษย์เราเป็นของที่มีจิตตวิญญาณสามารถที่จะไปเกิดได้ในสถานที่ต่างๆ ต, ตามบุญกรรมที่เราทําเอาไว้อาจสามารถที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ตัลฉันเล็กๆน้อยๆก็ได้อาจสามารถที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพผูิดาก็ได้อาจสามารถจะกลับมาสู่มนุษย์อีกก็ได้อาจสามารถจะไม่กลับ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 เป็นมนุษย์อย่างเดิมไม่อย่างนั้นก็อยากเกิดเป็นเทพดบุตรเทวพธิดาเพราะถือว่ามีความสุขว่ามนุษย์นี่ความคิดในจิตในใจของคนถั่วไปนอกจากผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติภาวนาทราบเรื่องการเกิดมันเป็นทุกข์เท่านั้นจึงจะเบื่อหน่ายในการเกิดไม่อยากเกิดต่อไป อย่าทำลายเรื่องอวิชชาตันหาเชื่อของความเกิดให้ดับไปนี่พวกเราทำลายยังไม่ได้ <c oughs> จะปฏิเสธว่าไม่เกิดเท่าไรมันก็เกิดอยู่วันยังคํามันไมไ่ฟังคำที่เราปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนั้นเาราควร สร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะกรรมดีเท่านั้นจะจิดตามตนไปสู่ความสมหวังกรรมชั่วกว่าจะลากเข็นตัวของเราให้โจมลงไปสู่สถานที่ต่าที่ชั่วเป็นธรรมดาทำกรรมดีนั้นโดยมากถือวายญาตสสำหรับคนผ่านคนชั่วแต่ง่ายสบายสําหรับผู้ที่มี จะดนิสใสเป็นบัณฑิตเป็นคนดีทำง่ายสบายสง่าพาเผยไม่เด้ลับรับซ่อนซ้อนทำกรรมดีอย่างเรามาฟังเทศฟังธรรมจำสีนภาวนาคือมาทำกรรมดีรวมกลุ่มกันได้เปิดไฟสว่างจ้าถ้าหากเข้าไปลักไปขโมยทำอย่างนี้ไม่ได้ เขากลัวเขาจะเห็นหน้าเห็นตาจำได้ไปแบบมืดๆไปแบบทุกข์ยากลาบากเวลาไปเวลาทำก็ทำด้ยวยความละมัดระวงังกลัวเจ้าของเขาจะตื่นจะรู้มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่เรามาจำศีลภาวานาทำบุญทุนทานไม่กลัวอะไรจะกลัวอะไร เรามีกรรมสิทธิ์เ ข, ของของี่เราเอามาให้ทานเรามานด็ขโมยใครมา <c oughs> เป็นของของตัวเราจึงไม่กลัวว่าคนอื่นจะมาโทษมาจับเดี๋ยวการจำศีลรักษาศีลก็ทํานองเดียวกัน <c oughs> ไม่ได้ผิดกฎหมายขอดเดี๋ยวไปอย่าง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 พวกเราท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อทำนองเดียวกันหากจิตใจรับฟังมีเหตุผลเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านพวกเราเกิดมานับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ได้ถ้าหากเชื่อมั่นในคําสอนของท่านจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกันก็คงจะไม่มาเกิดมาตาย ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนี้นี่ไม่เชื่อตามีเห็นก็สักแตเห็นหมูมีฟังก็สักแต่เราฟังใจไม่ได้คิดทีดนี้พิจารณาหาเหตุผลจริงจังมันไม่เชื่อมันจึงไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ถ้าเชื่อถ้าเรื่อมใสจิตใจมีปัญญามันก็ไม่นเลยมาเกิด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 หรือสาวกของพระพุทธเจ้าสี่ท่านกำจัดกิเลสตัณหาทำลายอาวิชชาอุปาทานจนจิตใจของท่านบริสุทธิเป็นพระอารหัตอรหันต์เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรานอกจากนั้นจากนั้นูุธียังท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสารจะเป็นเทพ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 พบใดฉาดใดทราบหรื อ, อยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไร